ใจที่มันกลัวเสือหายว่าไปเลยใจก็มีความสุขตลอดไปในกลางวันพอตอนกลางคืนใจก็ยังกลัวเป็นอย่างที่เคยเป็นมาจึงจําเป็นให้ได้คิดหาอุบายใหม่ทําความเทียนแก้ความกลัวกลางคืนให้หายได้ลงเดินจงกลมได้ดังเคยปฏิบัติมานที่อื่นๆวันหนึ่งจิงมึงเอนเกิดอุบายปัจจุบันขึ้นมาคือ ขมืดจริงแล้วนี่หมาไม่รู้ป่อนมันออกหากินเสรจอาหารที่เอาไปทิ้งตามริมวัดที่อาศัยอยู่นั้นเวลานอนเอามือค้ำหัวอยู่นั้นได้ยินเสียงหมามันเดินหูได้ยินก็ว่าเสียงตีนหมาเสือเดินบาดตีนไม่ดังรอกใจมันกลัวเสื อ, อมันก็ว่าเสียงตีนเสือหมาอะไรมันมาไม่ได้ดอกขําป่านี้ เพราะหมามักลัวเสือมันจะมาได้อย่างไรหมามันก็ยึ่งเข้ามาใกล้เข้าทุกทีเข้ามารอบร้านที่อยู่นั้นเรื่อยไปใจมันกลัวจนตัวแข็งเื่อไหลโ่มตัวเปียกเหมือนอาบน้าแต่ในาย่ามที่มีดเนาะอยู่เล่มหนึ่งใจมันกลัวมันจะหวังทุ่มมีดสู้กับเสือถ้าเสือมาจริงจะไม่มีเมตตาจิตจิกเอาผ้าผันมีดใดี เก็บเข้ากันไว้ก้นขุ่นยามเมื่อหมาไม่รู้ อ, อ่อนมาใจกลัวมันว่าเสือมาจึงเอามือคว้าเอามีดมากำไว้ให้แน่นแต่เมื่อไรไม่รู้ต้นหมามันมาที่กินเจ็ดอาหารตามใบซองหมดแล้วมันจึงขึ้นบันไดร้านมาหัวมันโผล่ขึ้นมามองเห็นหมายืยนพักอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นหัวหมาแต่ใจคิดกลัวมันก็ว่าเป็นหัวเสือ มันขึ้นมาจะกัดตัวเราแล้วก็ยิ่งกลัวใหญ่อยู่พักหนึ่งหมาตามันดีมองเห็นเราที่จ้องมันอยู่แล้วมันกลัวว่าจะไปตีมันไม่ชึงถอยตัวกลับลงมาหมามันคลางหนีหญิ้งจนมันลงไปถึงดินแล้วมันก็เห่าฟิตฟิอยู่อย่างนี้หลายครั้งนได้ตกลงใจว่าเป็นหมาแน่ที่หายกลัวลงเวลานั้นฉินได้รู้ตัว มองดูตัวเปียกไปหมดมือก็กลับด้ามมีดเกิดไหลหยดลมถูกผ้าปูที่นอนเปียกไปหมดจึงได้นึกหนายตัวเองเป็นผู้ชายแท้ๆใจยังไม่กล้าเข้าหมาแม่ตุ้มเมียแต่เลยเสือครอบกินหมาแต่มันก็ไม่กลัวสักนิดยังมากลางคืนได้จึงนึกเอาใจไปไหว้หมาตัวมเมียเรียนความกล้าหาญกลับมานอีกหน่อย ใจนึกขึ้นหายขึ้นมาก็เลยหายจากความกลัวเสือตอนกลางคืนอยู่เป็นสุขนอนเอาหัวลงใส่หมอนได้เลยวันหลังนึกว่าตัวหายกลัวแล้วนึกอยากลงไปเดินจงกรมกลางคืนจึงลุกเดินไปบันไดหย่อนตีลงไปเหยียบลูกบันไดเปิดตัวขาแข็งฝืนกดตัวลงเหยียบอย่างไรไม่ยอมลงจำเป็นได้เดินกลับคืนที่นอน นอนพิจารณาแก้ลัวเรื่อยไปจนตลอดเกินไม่ได้ความจนถึงวันหลังจึงนึกขึ้นได้ว่าค่ำวันนี้เราจะลงเดินจงกรมไม่ต้องลงบันไดเปิดหน้าต่างกระโดดลงเดินจงกรมเลยพอถึงเวลาคำ่คำทากิจจะวัดทุกอย่างตลอดไว้พระสวดมนต์จเจริญเมตตาเผื่วิหารทุกอย่างเสร็จแล้วทำใจให้สงบดีเปิดหน้าต่าง กระโดโดลงดินเลยตามความไม่กไวยแล้วพอกระโดดลงดินแล้วมันเกิดกลัวเสือขึ้นมาทันทีตัวแข็งไปหมดเลยได้ถอยหลังเข้าไปยืนโกงโ้ที่ใต้ร้านได้รู้ขึ้นว่าร้านก็ไม่มีอะไรแอ้มปิดเสือมันไว้เลยวิ่งรอดร้านมาคาบเอาไปกินก็ได้จึงก้มหน้ามองดูก็เห็นใต้ตุนร้านโล่งจางว่างคือไม่มีอะไรอยู่จริง จึงได้ถอยตัวมายืนแอบร้านอยู่สักครู่หนึ่งจึงนึกขึ้นในใจว่าตัวเราลงมาถึงดินได้แล้วเราจะไปเดินจงกรมดีหรือจะกลับขึ้นบันไดไปนอนดีประการใดใจมันกลัวมันกลัวไปนอนนั่นแหละดีเพราะกลัวมากแต่นว่าอย่างนี้ทางความรู้ก็ไม่ยอมลดละเราลงดินได้ถึงแล้วเป็นไรก็เป็นกัน ไปเดินจงกรมให้ได้เป็นแน่ทีเดียวก็เรากลัวจ น, นตัวแข็งไปหมดแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะไปได้ความรู้เกิดขึ้นมาว่าเราต้องทำใจให้ดีให้หายกลัวแล้วกระโดดไปค้ำจงกรมเลยแล้วก็ตั้งสติกำหนดจิตให้วางความกลัวให้จับคำภาวนาอยู่พอจิตรวมได้ดีแล้วก็กระโดด ว่าจะไปทางจงกลมจิตมันกลัวมากกระโดดตกลงที่เก่ากระโดดอีกทีเลื่อนไปนิดหน่อยกระโดดขั้งที่สามตกหัวเงินจงกลมกระโดดอีกทีถึงทางพอดีเพราถึงทางจงกลมได้แล้วก็วิ่งตามหน่อยคือวิ่งแกงเดินหยอกหยอกไปเลยถ้าไม่วิ่งไปอย่างนั้นตัวแข็งทื่อไปเลย จนถึงกับหยุดอยู่กับที่ฉะนั้นจึงจาเป็นให้วิ่งกลับไปกลับมาที่ทางจงกลมไปอย่างนั้นจนเหนื่อยเหมื่อชุ่มตัวหมดแล้วยังไม่รู้ตัวว่าได้ภาวนาหรือไม่ได้ภาวนาอย่างไรยังไม่รู้ตัวอะไรก็เห็นว่าพอสมควรแล้วก็หยุดเดินกันและดีใจมากว่าตัวลงเดินจงกลมได้แล้ว คิดว่าวันหลังคงจะหายกลัวได้หลัะครั้นถึงวันหลังก็เปิดประตูหน้าต่างกระโดดลงอีกใจรู้กลัวพอรู้สึกว่าตัวแข็งขึ้นบ้างพอเดินไปหาทางจลมกลงได้พอทำทิษฎียกมือระดึกถึงพระคุณรัตนไตรได้ดีอยู่แต่ว่ายัางเดินไม่ได้เพราะความกลัวจนขาแข็งจึงจำเป็นต้องวิ่งหน่อยอีก ขึ้กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนเหนื่อยเหื่อออกคลุ้มตัวอีกนึกในใจว่าเราไม่อย่างไรกันเราภาวนาว่าอย่างไรจรึงรู้ตัวขึ้นว่าตัวไม่ได้ภาวนาตามแบบและตามคําครูบ า, าอาจารย์สอนเสียเลยเช่นกลัวเสือก็เลยภาวนาว่าเสือกัดหัวกูตายเสือกัดหัวกูตายอยู่อย่างนี้ จึงดึกตัวรู้ตัวขึ้นมาว่าได้ทักตัวเองว่าตายสิเราภาวนาอย่างนี้จะใช้อะไรกันได้เราว่าตัวกูเสือซ้ำยังภาวนาว่าเสือกัดหัวกูตายแล้วเสือกัดหัวกูตายแล้วอยู่เช่นนี้จึงนึกหาคำภาวนาที่พระอาจารย์ให้นั้นนึกไม่เห็นเสียเลยจริงนึกว่าเมื่อเรานึกคาภาวนาคำใดไ ด, ได้เราก็จะภาวนาไปก่อนละ จึงเอาใจที่มัน ก, กลัวอย่างนั้นนึกไปนึกมาจึงระลึกพุทโธขึ้นมาได้จึงจับใจจับพุทโธภาวนาไปได้แผลบเดียวใจมันลึงว่าพุทโธมันไปนว่าเจือกัดหัวกูตายแล้วอย่างนั้นอีกด้วยความกลัวมันท่วมทับหัวใจตนอยู่จึงตั้งใจกำหนดตัดเอาคํามภาวนาพุทโธมันก็ไม่อยู่ ก็รู้ตัวอย่างนั้นจึงได้กดใจตนให้ขึ้กลับขึ้นมาภาวนาพุทโธอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปพอรู้สึกตัวว่าได้ภาวนาพุทโธได้บ้างความเหนื่อยมากมันก็เกิดขึ้นมาจึงได้หยุดเดินจงกรม ข, ข, ขึ้นร้านพักวันหลังฉันจงหนันเสร็จแล้วทําความเพียรภาวนาเดินจงกรมและคิดหาอุบายแก้ความตัวต่อไปสามโมงเย็นหยุดทํากิจวัตรอย่างเก่า ที่เคยทำมาทุกวันพอข้ามลงเดินตรงลมวันที่สามนี้ลงบันไดได้ไม่ถึงกลับกระโดดแด้ต่างดอกเดินไปทางหัวเงื่อนทางจุกลมแล้วก็เดินตามสบายใจตนได้ดีไม่ถึงกับวิ่งน้อยเหมือนสอวันก่อนจึงภาวนาแก้ใจตนไม่ให้มันว่าเสือกัดหัวกูใจก็ภาวนาได้สะดวกมีอาการกลัวอยู่ในใจบ้างเล็กน้อย จึ่งตั้งใจเร่งภาวนาพุทโธไปนานหน่อยหนึ่งได้ระลึกคําภาวนาที่พระอาจารย์ใหญ่สอนขึ้นมาได้ก็ได้ระลึกหัดใจว่าพ้นกันไปก่อนพอให้ระลึกว่าชนานาในใจพอลึกคำภาวนาที่อาจารย์ใหญ่สอนได้สะดวกดีแล้วก็หยุดว่าพุทโธภาวนาเยกุทโธปาติกุโลไปนานใจก็หัวระลึกรู้ตนขึ้นมาว่าเราเดินจงกรม ให้สมรวมดูทางเหมือนเราเคยเดินมาไหมดังนี้ไหนเลยตามีแต่มองเข้าป่าดูเสือจะมากระตุนอยู่เรวยไปจนคอบิดแรงเงินกางเดินจงโครงยาวไปทางทิศเหนือทิศใต้ฝ่ายอยู่ทิศตะวันตกจากทิศเหนือไปทิศใต้คอบิดไปข้างขวาดินทางป่าเดินกลับทิศเหนือคอบิดแยกข้างซ้าย ดูฝ่าดินทางอ ย, อย่างนั้นเนื่องจากมันกลัวเสือนึกว่าเมื่อเสือมาจะได้เห็นมันจะได้กระโดดเอาตัวรอดใจมันนึกอย่างนี้มันจึงเอาตามองทางฝ่าเรื่อยไปอย่างนั้นพอรู้ตัวขึ้นก็ได้ตั้งใจสำรวมดูทางใจมันกลัวมันไม่ยอมให้ดูทางได้เลยคอมันแข็งกระด้างไปเลยชินึกหาอุบายทั้งหมดมาแก้ใจ ไปพร้อมกับตั้งใจให้สายแยกมาดูทางตามวิธีเดินจงกรมนั้นคิดหาอุบายใดมาแก้มันก็ไม่ไหายเลยพอดีเหนื่อยหยิดเดินวันหลังตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าถ้าเราคิดหาอุบายใดมาแก้ใจเราให้มองดูทางไม่ได้แล้วจำเราเอาศอกกดปกเอามือค้ำคางดูทางให้ได้ก็อพอดีค่าถึงเวลาเดินจงกรมก็ได้ลงเดินจงกรม คิดหาอุบายธรรมะ ใ, ใดๆมาแก้ใจให้มองดูทางไม่ได้เสียจริงคือใจไม่ยอมให้ตามองดูทางเลยก็จําเอาศอกกดอกเอามือค้าคางจนหน้าแยกออกจากทางมองไปทางทิศตะวันออกทําอยู่อย่างนี้พิจารณาไปนึกดีใจหรือว่าเราทําอยู่อย่างนี้ไปมันหาจจะมีวันหายได้ให้เราสบายใจลงได้สักทีหนึ่ง ดังเราเคยแก้รกเรามาได้ด้วยอุบายต่างๆด้วยความสบายมาแล้วเป็นแน่พอดีเหนื่อยพอสมควรแล้วก็หยุดวันหลังเพราะด้เดินจงกรงก็ลงเดินวันนี้เรินแต่เพราะเอามือค้ำคางพอาะจูๆคือพอหยุดไว้ก็เดินภาวนาไปได้เดินจงกรมภาวนาไปครึ่งเหนื่อยความกลัวก็หายขาดวางมือลงจับกันภาวนา ไปได้ดีแล้วมีความดีใจมากที่ตัวได้ทําความเพียรแก้ความกลัวอันตัวได้ความทุกข์มาใหญ่โตให้หายขาด จ, จากใจตนเองได้ทำรู้ว่าตนนิยธรรมความกระหาญของพระอาจารย์ที่มอบให้ตนตนได้อุตสาหะทําความเพียรให้เกิดมีขึ้นในดวงใจของตนได้ดังนี้ตั้งใจปรารกความเพียร ตอนนี้ไปก็ได้ตั้งใจทำความเพียรได้ยุกเอาตัวอย่างพระอานนท์ที่พระพุทธองค์เตือนให้ระลึกถึงความตายอยู่ทุ่งลมหายใจเข้าและหายใจออกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนั้นมาเป็นอารมณ์เพื่อใหนนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทดังพระอานนท์นั้นจินึกคเอาความเหนื่อยที่เกิดขึ้นในตอนทาความเพียร น, นั้นว่าเป็นอาการของความตายเมื่อเหนื่อยมากขึ้นมาจริง เราก็ต้องตายแน่ใจที่ภาวนาอยู่ก็มองเห็นความตายด้วยดับนี้พิจารณาอยู่เช่นนี้สองวันได้เกิดนิดความฝันขึ้นในเวลานอนกลางคืนฝันว่าตนได้ฝุดพระวินัยพระองค์บัญญัติไว้ด้วยความเห็นประโยชน์แก่ชุมชนในหมู่บ้านทุกตนพักอยู่นั้นมันกันดานน้ำกินน้ำใช้ทุกอย่างตนได้ชักชวนคนบ้านนั้นฝุดบ่อ น, น้า เขาได้พร้อมกันมากุดที่ชี้บอกให้นั้นให้เขาขุดลึกลงไปเพียงหนึ่งศอกเขาว่าน้าไม่ออกเขาจึงหยุดกันทีได้อ้อนวอนให้เขาขุดลงไปอีกแักหนึ่งศอกดูก่อนมันจะออกน้ำอยู่เขาไม่ยอมขุดตัวเองจึงผลขึ้นในใจแล้วนึกว่าเราขุดหินเป็นอาบัติพาิตีเอาเถอะเราไปถึงหมู่เราจึงขอสแสดงอาบัติเอา และตัวเองจับเอาด้ามเขียมกับเขาขุดลงไปได้อีกหนึ่งต่อถูกรูน้ําใหญ่พุ่งขึ้นมาเต็มหลุมเต็มบ่อน้ํามันพุง่งชัดขึ้นมาสูงทพียนกอกพุ่งอยู่อย่างนั้นตัวเองจึงด่าพวกที่เขาขุดและชาวบ้านนั้นใหญ่เลยแล้วนําเขาทําบ่อและรางน้ําให้มันไหลไปไกลเพื่อจัดอีควายเป็นต้นมากินและนอนก็ไม่ให้บ่อเป็นอันตรายเสร็จ ด, ดีแล้วก็ประดิษฐ์จากหลับขึ้นมา พิจารณาดูก็ไม่รู้ความหมายความฝันของตนเลยวางความอยากรู้ทิ้งอีกสองวันต่อมาตั้งใจทําความเพียนพิจารณากายตนต่อไปใจรวมตกแต่รู้ความตายวูก ข, ขึ้นมาใหญ่เลยมองดูตนอะไรทุกอย่างไม่เห็นมีแก่นสารสักอย่างหนังก็เป็นหนังหอเนื้อไม่มีแก่งแข็งพออยู่เหมือนผ้าห่อนุ่นเนื้อก็เป็นเหมือนนุ่น เส้นก็เป็นเหมือนสายเย็บกระดูบก็เห็นท่อนๆมีเส้นผูกติดกันอยู่ดูตับใต้เป็นที่สุดก็เห็นเป็นเพียงแขวนอยู่ต่อเป็นพวงอยู่ดูลำไส้ก็กองกันอยู่ดูอาหารก็เห็นเป็นของสกปรกอยู่เต็มในลำไส้ดูในตัวเห็นเป็นเหมือนที่เล่ามานี้เป็นอันๆไม่เนอะไรเป็นอยู่สักอย่างถ้าเห็นว่ามันไม่มีแข็งสักอย่างเลยดังนี้ ใจเกิดกลัวตัวตายจริงก่อนตอนได้ทําความดีให้พอเต็มที่ขึ้นมาอย่างนี้เกิดความร้อนรุ่งหมดทั้งตัวเลยจะพักอยู่ให้ตัวสบายหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้กวัวตัวตายทิ้งเปลา่าเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาใหญ่อีกหลักตัวทําความเพียรด้วยความเป็นทุกข์กังวลอีู่นี้ได้สองถึงสาวันทําความเพียรไม่ได้ในเวลาประบานบ่ายหน่อยหนึ่งทําไปไม่ไหวเป็นทุกข์ออกร้องตัวมาก จึงได้หยุดเดินเล่นอยู่ไปมาจากนั้นจึนงไปเห็นก่อนไม้เขาวานทำไร่ที่มันร้างแล้วซิ่งอยู่กลางไร่ร้างเขามีกินหนึ่งใหญ่พอสมควรโดดขึ้นสูงใจคิดอยากไปขึ้นขอนดูเหมือนจะได้เกิดความสบายใจขึ้นมาจึงได้เดินช้ากระมิอจิตไปถึงกกขอนนั้นยินงพิ จ, จารณาความถูกความผิดศริยธรรมตริตรองการปฏิบัติ มันถูกปิดประการใดหรือไม่เห็นว่าไม่มีปิดอะไรแน่คิดนึกอธิษฐานขึ้นในใจว่าเราขึ้นใส่ขอนไม้ไปนี้ขอให้เรารู้เห็นอะไรขึ้นมาให้ได้ความสบายเธอเพราะอุลานีเป็นทุกข์ใจมากจนจะทนอยู่ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดินใส่ขอนขึ้นไปเดินไปบ้างยืนบ้างบนขอนไม้นั้นปนกันไป ถึงกลางขอนคน้นไปหาปลายนย่า น, นึ่งเกิดความรู้รวมเป็นเสียงดังพูดขึ้นว่าท่านรู้ตายจะเอาตายนั้ยหรือเป็นทุกข์ใหญ่หนาในใจอันรวมอยู่นั้นความไม่สบายตัวทั้งหลายอันมีอยู่มันหายว่าไปเหมือนลมพายุใหญ่พัดเอาฝนให้พื้นดินขึ้นไปหมดชั้นใดตัวเองก็ได้ยินกสมมตดจิตพิจารณาอยู่นั้นว่าพระความเรารู้ขึ้นมาว่า เอาตายเป็นทุกใหญ่หนาอย่างนี้ไม่ให้เอาตายจะให้เอาอะไรจะเล่าตัวก็ยืนกำหนดอยู่นานก็ไม่เห็นได้ความอะไรต่อไปจึงได้เดินต่อไปอีกจนขึ้นบนกิ่งโด่นั้นไปถึงค่อนปลายมันพาสานทื่อๆคือนัตนเพิมจึงข ย, ยับตัวถอยกลับค่ อ, คอยๆเดินกลับมาเหมือนขาขึ้นไปนั้นไปถึงขอที่เกิดรู้นั้นเกิยรู้ขึ้นมาอีกว่าให้เอาพุทโธนั้น จะเอาใาอะไรใครยิ่งสบายมากตั้งแต่ภาวนามาไม่ได้เกิดความรู้อย่างนี้สักทีเลยซึ่งมาเกิดขึ้นทีเดียวเท่านี้แหละจึงเกิดติติดมีความอิ่มใจยินดีขึ้นมากจากนี้จึงพิจารณาว่าเอาพุทโธอย่างไรกันหนอเอาพุทโธเป็นคำบอยกามว่าพุทโธพุทโธไปอย่างนี้หรือหรือเอาพุทโธคือดวงใจรู้แจ้งนั้นเป็นอย่างไรกัน ก็ไม่ได้เห็นรับรู้ตามขึ้นมาอย่างไรอีกจึงได้เดินไปหากกขอนอีกจนไปถึงกกขออีกก็ไม่เห็นเกิดรู้อะไรขึ้นมาอีกจึงลงขอนเดินพิจารณาไปอีกไปหาทางตึงกลงได้ความขึ้นมากลางทางว่าก็แต่ ก, ตก่อนพระอาจารย์จุวรรณให้เราภาวนาว่าพุทโธทันมาถึงท่านอาจารย์ใหญ่ท่านมาให้เราเลิก ว, ว่าพุโทโธ มาให้เราภาวนาว่าเยกุตโฉปติกุโลดังนี้เพราะธรรมว่าให้เราว่าพุโทโธนี่ก็คงให้เอาพุโทโธใจรู้แน่ละ่ะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปเราจะเอาใจจับจดจอ่ออยู่กับคําภาวนาเยกุตโฉปติกุโลเพราะคำภาวนาก็จิตนั่นแหละคือไอ้ก่อนจิตมันคิดสงสัยไปทั่วอยู่นั้น เรามานึกภาวนาขึ้นความสงสัยของจิตที่เคยเป็นมาก่อนนั้นไม่มีนี่แต่คำภาวนาอยู่คำเดียวเท่านั้นจึงว่าคำภาวนาเป็นจิตด้่ความแน่ใจแบบนี้แล้วได้น้อมเอาจิตรู้ของตนแฝบอยู่กับคำภาวนา